ติดจะถึงหน้าอะไรนะหกสามหกหกสามหกเป็นการ <c oughs> <c oughs> เป็นการรู้ตามซึ่งสัจธรรม แล้วก็การบรรลุซึ่งศัจธรรมเมื่อคราวที่แล้วเมื่อคราวที่แล้วเราอ่านในเรื่องของอะไรเป็นปฏิสนณะอะไรเป็นที่ล่นไปสู่ของอะไร <c oughs> กับพารัธวาชะการปฏิกานบนะผู้พาระธวาชโคดได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระโกดมผู้เจริญส uh ัจจานุโภตแปลว่าการรู Bolt ้ตามซึ่งสัจธรรมย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร บุคคลย่อมรู้ตามซึ่งสัจธรรมได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพวกเราถามซึ่งการรู้ตามซึ่งสัจธรรมกับพระโคโดมผู้เจริญแล้วละ่ะลรงตอบว่าดูก่อนพารทวาชะได้ยินว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหรือในนิคมแห่งใดแห่งหนึ่ง ข้าบดีหรือข้าบดีบุตรได้เข้าไปใกล้ภิกษุนั้นแล้วใค ร, คร้ครวนดูอยู่ในใจเกี่ยวกับทำสามประการคือทำเป็นที่ตั้งแห่งความโลภทำเป็นที่ตั้งแห่งโทสะทำเป็นที่ตั้งแห่งโมหะทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ จะมีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะหรือไม่หนอธรรมอันเป็นอันเป็นธรรมที่เมื่อครอบงำจิตของท่านแล้วจะทาให้ท่านเป็นบุคคลที่เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือว่าจะชักชวนผู้อื่นในธรรมอันเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นตลอดกาลนานดังนี้ เมื่อเขาใครครวน <c oughs> ดูอยู่ในใจซึ่งภิกษุนั้นก็รู้ว่าทมเป็นที่ตั้งแห่งโลภาชนิดนั้นมิได้มีแก่ท่านผู้มีอายุนี้ <c oughs> อหนึ่งกายสมาจารวาจีสมาจารของท่านผู้มีอายุนี้ <c oughs> ก็เป็นไปในลักษณะแห่งสมาจารของบุคคลผู้ไม่โลภแล้ว อันหนึ่งท่านผู้มีอายุนี้แสดงซึ่งทำใดธรรมนั้นเป็นธรรมที่ลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมที่สงบประงับปราณีตไม่เป็นวิสัยที่จะอย่างลงง่ายแห่งความตรึกเป็นธรรมละเอียดอ่อนรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยธรรมนั้นมิใช่ธรรมที่คนผู้มีความโลภจะแสดงให้ถูกต้องได้ดังนี้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 เพราะฉะนั้นก่อนที่เขาเนี่ยจะเข้าไปศึกษาไปฟังไปอะไรเนี่ยเขาสังเกตดูก่อนว่าภิกษุองค์นั้นเนี่ยมีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโลภโกรธหลงบ้างหรือไม่เท่าที่เขาพอจะสังเกตได้ก็ใช้ปัญญาระดับหนึ่งแล้ว <c oughs> ลำดับนั้นเขาปลูกฝังศรัทธาลงไปในภิกษุนั้นครั้นมีศรัทธาเกิดแล้วเขาย่อมเข้าไปหา ครั้นเข้าไปหาแล้วย่อมเข้าไปนั่งใกล้ครั้นเข้าไปนั่งใกล้แล้วย่อมเงี่ยโสดลงครั้นเงี่ยโสดลงย่อมฟังซึ่งธรรมครั้นฟังซึ่งธรรมแล้วย่อมทรงไว้ซึ่งธรรมย่อมใคร่ครวญซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายอันทรงอันตนทรงจำไว้แล้วเมื่อใคร่ครวรซึ่งเนื้อความแห่งธรรมอยู่ ทมทั้งหลายย่อมทนต่อความเพ่งพินิษฐ์เมื่อการทนต่อการเพ่งพินิษของธรรมมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะแล้วย่อมมีอุตสาหะครั้นมีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมครั้นมีความสมดุลแห่งธรรมแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมเข า, ขาผู้มีตนส่งไปแล้ว อย่างนี้อยู่ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งปรมาทสัจจะด้วย <c oughs> ดูคำว่าปรมา ท, ทสัจจะสัจจะอันละเอียดนะอันละเอียดเป็นอนุวันก่อนมีคนมาถามเรื่องอะไรยาปรมาทอะไรเนี่ยนะเนี่ยมันเอาคำว่าปรมาทเนี่ยไปใช้กับยาวชีวิก <c oughs> ของกลืนล่วงลาคอ ที่เมื่อรับประเคนแล้วเนี่ยเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตนะส่วนของต้นไม้รากใบดอกทั้งหมดเป็นยาวชีวิตนะแต่เ ด, เดี๋ยวนี้พระเราก็เรียกไปเรียกตามคําที่ใครแต่งขึ้นก็ไม่รู้เอาคําคำนี้ไปใส่กับไอ้ยาพวกนั้นของคือล่วงลําคอพวกนั้นเป็นปรมาณก็เลยเรียกกันติดปากในหมู่พระแต่ก่อนอาตมาก็ไม่คเคยได้ยินเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ได้ยินมากขึ้นจน กระจายมาในหมู่ของญาติโยมว่ายาปรมัดปรมัดเขาก็มาถามอาตมากลับอีกว่ายาปรมัดคืออะไรนะอาตมาก็บอกมันไม่มีหลอกนะมันมีแต่ <c oughs> ยาวชีวิตของกลืนล่วงลําคอซึ่งพระองค์แบ่งเป็น4อย่างยายาวกาลิกก็คือโภชนะพวกอาหารปลาเนื้อนมข้าวนมส้มยามากาลิกก็คือน้ําปะนะน้ําที่คั้นจากผลไม้ทุกชนิดสตากาลิกก็คือ เภสัชหรือยามี5้าอย่างเนยใยเนยค้นน้ำมันน้ำพึกงน้ำอ้อยห้าอย่างนี้แล้วก็ยาวชิวิก <c oughs> พวกยารักษาโรคทั้งหมดและส่วนของต้นไม้ทั้งหมดใช้เป็นยาวชิวิกได้ย่อมแทงตลอดซึ่งทำนั้นแล้วเห็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยดูก่อนภารัตวาชะ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลสัจจานุพจน์ย่อมมีได้บุคคลย่อมรู้ตามสัจธรรมได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกเราบัญญัติซึ่งสัจจานุโพจ์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แต่ว่าสัจจานุปัติยังไม่ได้มีดังนี้สัจจานุปปติแปลว่าการบรรลุซึ่งสัจธรรมปารัตว <c oughs> รวาชา ก, ก็ถามต่อ ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญถ้าสัจจานุพจ์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลย่อมรู้ตามซึ่งสัจธรรมได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้และพวกเราก็หวังได้ซึ่งสัจธรรมด้วยเหตุเพียงเท่านี้ดังนี้แล้วข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญสัจจานุ rooting, ปฏติการบรรลุซึ่งสัจธรรมจะมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าบุคคลจะบรรลุซึ่งสัจธรรม ได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าและพวกเราถามซึ่งสัจจานุปติกับพระโคโดมผูเ้เจริญแล้วละ่ะโยมลองดูว่าผู้เจ้าเนี่ยตอบคำถามกับใครเนี่ยตอบเป็นระบบหมดเลยและระบบของการตอบระเบียบแห่งถ้อยคำตรงนี้จะสอดรับกันทั้งชีวิตและพูดซ้ำอีก ท, ทีก็พูดได้เหมือนกันทั้งหมดนี่อ่า และเวลาจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือขยายถ้อยคํานั้นนักก็จะพูดซ้ำเหมือนเดิมทั้งหมดเปลี่ยนนิดเดียวขยายต่อไปเปลี่ยนนิดหนึ่งขยายต่อไปทําให้คําของผู้เจ้าเนี่ยเรียงร้อยกันทั้งหมด <c oughs> เราดูแล้วกันว่าการพูดของเราทั้งชีวิตเนี่ยมันสอดรับกันหมดไหมและมันเรียงร้อยกันหมดอย่างคําผู้เจ้าไหมไม่ไม่ใช่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงบอกว่าพระองค์เนี่ยจะกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียว นะคําจะสอดรับกันทั้งชีวิตและคำเนี่ยพูดแล้วเนี่ยเป็นอักาลิโกใช้ไปได้ตลอดแค่คุณสมบัตินี้ของพระศาสดาของเราแล้วเนี่ยไม่มีสาวกคนไหนทําได้หรอกนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นความสําคัญว่าทําไมเราจรึงต้องมาศึกษาคําพระศาสดาและพระศาสดาก็บอกเลยว่าต้องศึกษาคําตถาคตเท่านั้นคําของพระองค์เท่านั้นเป็นถ้อยคําที่ไม่มีข้อผิดพราดนะการปรุงแต่งทางวาจาวจีสังขาร อันเป็นไปเพื่อธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเป็นเรื่องที่พิเศษสำหรับความเป็นสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นจริงๆพระ <c oughs> องค์ตอบพาลัทธวาชาต่อว่าคือพาลัทธวาชะรู้แล้วว่าการรู้ตามซึ่งความจริงนะทำนั้นทาได้อย่างไรคือสิบสองขั้นตอนต่อไปเขาก็เลยถามว่าแล้วจะบรรลุได้ยังไง <c oughs> ดูก่อนพารัตวาชะการเสพครบการทำให้เจริญการกระทำให้มากซึ่งทำทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเป็นตัวสัจจานุปปิดูก่อนพารัตวาชะสัจจานุปปิย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละบุคคลย่อมบรรลุซึ่งสัจธรรมได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละและพวกเราก็บัญญัติซึ่งสัจจานุปปิด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละนะ ผู้เจ้าเนี่ยู้หลายละจบขาดนะแค่นี้ทำนี้เ ท, ท่านี้เท่านี้แน่นอนนะ <c oughs> นั่นก็คือการทำให้มากจเจริญให้มากวนใน12ขั้นตอนที่พระองค์ตัดไว้นั่นแหละจะเป็นตัวทำให้เราบารรลุซึ่งสัจธรรมเข้าไล่ถามต่อนะว่าข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญถ้าเป็นดังนี้แล้ว ทำเชื่ออะไรเล่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแกศัจจานุปติพวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกศัจจานุปติกับพระโคดมผู้เจริญแล้วล่ะดูก่อนพารัตวาชะการตั้งตนไว้ในธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแกศัจจานุปติถ้าบุคคลไม่ตั้งตนไว้ในธรรมแล้วไซส์เขาก็ไม่พึงบรรลุซึ่งสัจธรรมเพราะเหตุที่เขาตั้งตนไวในธรรม เขาจึงบรรลุซึ่งศัจธรรมเพราะเหตุนั้นการตั้งตนไวในธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่สัจจานุปปติ <c oughs> <c oughs> การตั้งตนไวในธรรมเนี่ยมันเป็นข้อสุดท้ายเลยนะของ12ขั้นตอนศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียบสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใายควรพี่น้านเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์ชันทาย่อมเกิดขึ้น ผู้มีฉันท้าย่อมมีอุสาหะผู้มีอุสาหะย่อมพินาศหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมผู้เจ้าจึงบอกว่าไอ้ตั้งตนไว้ในธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมมีอุปการละมากต่อการบรรลุซึ่งสัจธรรมเห็นไะหอ่าแล้วจากนั้นพลารัทธาชาก็ถามย้อนไปย้อนไปผู้เจ้าก็ย้อนสายปฏิจจะเลยนะแล้วอะไรมีเป็นธรรมมีอุปการละมากก่อต่อการตั้งตนไว้ในธรรมละ่ะผู้เจ้าก็บอกการหาความสมดุลแห่งธรรมนะแล้วอะไรมี อุปการะมากต่อการหาความสมดุลแห่งธรรมก็ย้อนมาย้อนมาย้อนมาย้อนมาย้อนมาไล่มาอย่างนี้นะให้เราเห็นภาพอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการถามตอบ <c ười> ของพารัตวราชาที่ถามผู้เจ้าเนี่ยย้อนมาว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดนี้อะไรเป็นเหตุให้เกิดนี้อะไรเป็นเหตุให้เกิดนี้ไล่ย้อนมาผู้เจ้าก็ไล่ย้อนมาหมดนะดูก่อนพารัฐวาชการพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมาก แก่การตั้งตนไว้ในธรรมถ้าบุคคลไม่พึงพบซึ่งความสมดุลแห่งธรรมนั้นแล้วซายเขาก็ไม่พึงตั้งตนไวในธรรมเพราะเหตุที่เขาพบซึ่งความสมดุลแห่งธรรมเขาจึงตั้งตนไวในธรรมเพราะเหตุนั้นการพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมจึงเป็นธรรมมีอุปการะมาแก่การตั้งตนไวในธรรม เราจะใช้อะไรเป็นวิลลาธรรมในการอยู่เช่นเราจะใช้การรู้ลมหายใจเป็นวิลลาธรรมในการอยู่ของเรา <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องได้ความพอดีในการอยู่กับลมหายใจก่อนกว่าจะอยู่ลมหายใจได้พอดีก็ อ, อึดอัดแน่นหนะ้าอกบ้างนะรู้ตามไม่คยได้บ้างอะไรบ้างจนกทั่งฝึกไปรู้ลมเข้าลมออกจนกทั้งได้เป็นปกติอ่ะทีเนี้ยเรียกว่าหาความสมดุลแห่งธรรมได้ละรู้แล้วว่า รู้ลมหายใจเฉยๆสบายๆนะ่ะเป็นยังไงเพราะฝึกแรกๆจะอึดอัดเป็นโน่นเป็นนี่ไปหมดนะแต่พอ <c oughs> ทําได้แล้วคล่องแล้วก็เรียกว่าหาความสมดุลแห่งทําได้แล้วก็จะตั้งตนไว้ในธรรมก็คืออาศัยลมหายใจเนี้ยเป็นเวลาทำเครื่องอยู่ของตนได้ละสบายๆและตัวนี้จะเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการบรรลุซึ่งสัจธรรมนะ ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญก็ทําชื่ออะไรเล่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การพิจารณาหาความสํานุลแห่งธรรมนะแล้วอะไรละ่ะมันมีอุปการะมากที่จะทําให้เราหาความสํานุนแห่งธรรมได้ผู้เจ้าบอกอะไรอุตสาหะเห็นไหมโยมต้องเพียรต้องพยายามต้องทําทําเรื่อยๆถ้าโยมไม่ทําเรื่อยๆมันจะหาความสํานุนแห่งธรรมได้ไหมไม่ได้นะ โยมรมก็กกแกกันแ้ให้ดิฉันทำไม่ได้แล้วกัยังไม่เพียรเลยนะ <c oughs> เห็นไหมจงจงเลยเนี่ <c oughs> ดูก่อนพารัฐวาชะอุสาหะเป็นธรรมมีอุปการะมาแกการพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมถ้าบุคคลไม่พึงอุสาหะแล้วไซถ้าเราไม่เพียรพยายามแล้วไซเนี่ยก็ไม่พึงพบซึ่งความสมดุลแห่งธรรม เพราะเหตุของเขามีอุตสาหะเขาจึงพบความสมดุลแห่งธรรมเพราะเหตุนั้นอุตสาหะจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมเห็นไหมโยมจะหยิบมักวิธีอะไรมาใช้ก็ตามโยมต้องมีความเพียรทั้งสิน้นนไม่มีว่างวิธีใดที่ทำแล้วปุ๊บมันได้เลยถ้าเราไม่ได้มีอินทรีย์บรามีมาแก่กล้านะอย่างพาหิยะอย่าง <c oughs> มาลุงกยบุตรหรือใครต่อใครที่บรรลุได้เร็วเราต้องใช้ความเพียรความพยายามทั้งสิ้นนะเพราะนั้นอย่าพึ่งไปท้อแท้นะใช้ความอุตสาหะเพียรพยายามซะก่อนเข้าไล่ถามต่อไปว่าก็ทําชื่ออะไรเล่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแกการอุตสาหะ พวกเราถามซึ่งทำ ม, มีอุปการะมาแก่อุสาหะกับพระโคดุมผู้เจริญแล้วละ่ะดูก่อนภารัตวาชะฉันทะเป็นธรร ม, มีอุปการะมาแก่อุสาหะถ้าบุคคลไม่พึงยังฉันทะให้เกิดแล้วไซก็ไม่พึงมีอุสาหะถ้าโยมไม่พอใจในการกระทําตรงนั้นโยมจะไม่มีอุสาหะ ความพอใจจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อความเพียรถ้าโยมไม่มีฉันทะปลูกฉันทะในการกระทำตรงนั้นเนี่ยโยมไม่มีทางอุตสาหะได้เลยทำนิดๆหน่อยๆก็โอ้ไม่เอาละนะเพราะฉะนั้นเราต้องพอใจนะแล้วพอใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเขาก็ถามต่ออีก <c oughs> ดูก่อนภารัตวาชะความที่ทำทั้งหลายทนได้ต่อการเพ่งพินิษเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันทะถ้าทำทั้งหลายไม่พึงทนต่อการเพ่งพินิษแล้วไซฉันทะก็ไม่พึงเกิดเพราะเหตุที่ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิษฐ์ฉันทะจึงเกิดเพราะเหตุนั้นความที่ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิษ์จึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันทะ ย่มตรวจสอบธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังทรงจำมาไว้ตรวจไปเท่าไหร่มันก็ตรงจริงเมื่อนั้นตรงจริงเท่าไหร่เราก็ยิ่งเกิดฉันทะเออใช่ผู้เจ้าพูดจริงบอกจริงตรงเป๊ะอย่างที่เรารู้เราเห็นเลยนะอย่างสุขเกิดขึ้นดับไปทุกเกิดขึ้นดับไปไปคิดอดีตไปคิดอนาคตก็เดินไปสู่ความดับแตกสลายนะอืมเราเห็นจริงตามนั้นก็เริ่ม พอใจเริ่มพอใจก็จะมีความเพียรเนี่ยมันจะเป็นลําดับไล่กันมาเลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วความทนได้ต่อการเพ่งพินิษย์ล่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือว่าเราต้องเข้าไปใคร่ครวนซึ่งอัดซึ่งทำมันนั้นนะดูก่อนพรัตวาช้าความเข้าไปใคร่ครวนซึ่งอัฏถะ เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ความที่ทําทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิจจะรู้ได้ยังไงว่าธรรมะนี่มันถูกต้องตรงจริงเราเองเนี่ยต้องเข้าไปใคร่ควรในธรรมนั้นนะใช่ไหมใครควรใคร่ควรบ่อยๆใค ร, คร้ครควรมากๆยิ่งใครควรยิ่งเห็นจริงตามนั้นตรงจริงหมดทุกอย่างนะ <c oughs> ฉันท่าก็เกิดขึ้นพอมีฉันท่าก็มีอุสาหาเพียรพยายาม แล้วก็จะหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไม่ในธรรมเขาถามต่อว่าการทรงไว้ซึ่งธรรม <c oughs> <c oughs> มีอะไรเป็นอุปการะมากมข้ามไปนิดหนึ่งเมื่อกี้ใครควรซึ่งอัดถะใช่ไห ม, มจะทําให้ ทนได้ต่อการเพ่งพินิจแต่การไข้ควรซึ่งอัตตามันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะการเกิดเพราะการทรงไว้ซึ่งธรรมถ้าโยไม่สามารถทรงไว้ซึ่งธรรมคือทรงจำธรรมนั้นได้ถ้าเราฟังมาแล้วเราลืมเราจะเอาอะไรมาไข้ควรมันก็ไข้ควรไม่ได้ เพราะฉะนั้นการทรงจำเนี่ยผู้เจ้าไม่เคยตําหนิการทรงจําเลยเพราะการทรงจําเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนการทรงจําหรือการทรงไว้ซึ่งธรรมนะจึงเป็นธรรมมีอุปการะต่อการคข้ควรซึ่งอัตตะเราจะใคร่ควรธรรมะนั้นได้เราต้องจําถ้อยคํานั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่มีบทเพ็นชนะการลงอักษรแบบนี้เขาก็ต้องจําจําทุกอย่างที่ได้ยินได้ฟังมา จำเมื่อจำได้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเอามาไร่ควรได้เมื่อไค้ควรบ่อยๆ <c oughs> ทำก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะฉันทะอุสาหาสมดุลแห่งธรรมจะเกิดขึ้นไล่ตามมาเลยที <c oughs> นี้การทรงไว้ซึ่งธรรมหรือการทรงจำธรรมนั้นไว้มันได้มาจากอะไรละ่ะได้มาจากการฟังธรรมไง <c oughs> ดูก่อนภารัทวาชะการฟังซึ่งธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงไว้ซึ่งธรรมถ้าเราไม่เคยฟังธรรมไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะทรงไว้ซึ่งธรรมไม่ได้เราจะจำอะไรไม่ได้และการฟังธรรมมีอะไรเป็นอุปการะของมันก็คือการเงียลงซึ่งโสตเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การฟังธรรม ถ้าบุคคลไม่เงีย้ยลงซึ่งโสตแล้วซดยเขาก็ไม่พึงฟังซึ่งทำได้เพราะเหตุที่เขาเงีย้ยลงซึ่งโสตเขาจึงฟังซึ่งทำได้ถ้าไม่ตั้งใจฟังนะก็จะไม่ได้ฟังเมื่อไม่ได้ฟังก็จะทรงจําไม่ไดนะ้การเงีย้ยลงซึ่งโสต <c oughs> คือการตั้งใจที่จะน้อมลงฟังนั่นเอง และการตั้งใจน้อมลงฟังนั้นมีอะไรเป็นอุปการะผู้เจ้าบอกว่าการเข้าไปนั่งใกล้เพราะฉะนั้นฟังธรรมอย่าไปนั่งห่างๆนู้นน ะ, ะมีสาวกของผู้เจ้าเนี่ยไปนั่งฟังธรรมสักไกลลิปเลยผู้เจ้ากา็เอ๊ะทำไมเธอไปนั่งฟังธรรมอยู่สักไกลล่ะปรากฏว่าภิกษุรูปนั้นบอกว่าฉันกระเทียมมา กลัวภิกษุรูปอื่นได้กลิ่นกระเทียมพรูเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าฉันอะไรแล้วทำให้เธอห่างเหินจากธรรมถึงเพียงนั้นก็อย่าฉันเลยก็เลยบัญญัติว่าภิกษุทั้งหลายห้ามฉันกระเทียม <c oughs> แม่งานกล่อเลย <c oughs> อันนี้มีในเรื่องของวินัยน่ะ <c oughs> การเข้าไปนั่งใกล้จึงเป็นอุปการะต่อการเงียสโสตะลงฟังซึ่งธรรมและการเข้าไปนั่งใกล้มันจะมีขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องมีการเข้าไปหาถ้าโยมไม่เข้าไปหาโยมจะไม่สามารถเข้าไปนั่งใกล้ไม่สามารถเงียสโสตลงฟังซึ่งธรรมและการเข้าไปหามันเกิดจากอะไรล่ะมันก็เกิดจากศรัทธาถ้าโยมไม่มีศรัทธาโยมจะไม่มีการเข้าไปหา ศรัทธาจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาจริงๆมันเรื่องตื้นๆง่ายๆอย่างนี้เองนะแต่เราก็บัญญัติออกมาไม่ได้เนาะอ่าเราก็ไม่สามารถบัญญัติว่าอ๋ออันนี้นะมันเกือ้อกูลต่ออันนี้อันนี้มันเกือ้อกูลต่ อ, อนนี้ซึ่งเรามาพอเรามาค่อยๆไล่ลาําดับรู้ตางเออมันก็จริงอย่างคุเจ้าบอกเลยนะอืมแต่เราบัญญัติเองไม่ได้เลยนึกไม่ออกนะ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพาระตวาช้าเขาบอกพวกข้าพระองค์ได้ทูลถามพระสมณะโคโดมด้วยเรื่องสัจจานุนรคกนาคือการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยเรื่องสัจจานุพโพธด้วยเรื่องสัจจานุปัติการรู้ซึ่งความจริงและการบรรลุซึ่งความจริงและเรื่องใดๆดังที่กล่าวแล้วนั้นก็ตามพระโคโดมผู้เจริญได้พยากรณ์ซึ่งเรื่องนั้นๆ น, น, นั่นเทียว ก็คำพยากรณ์ น, นั้นเป็นที่ชอบใจด้วยเหมาะสมด้วยแก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายพอใจด้วยคําพยากรณ์ น, นั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ <c oughs> ในการก่อนแต่นี้พวกข้าพระองค์รู้สึกว่าจะเอาอะไรกะมันกับพวกสมณะหัวล้นทั้งหลายซึ่งเป็นเชื้อพร่กระดุมพีกันหโัโคต เกิดแต่เท้าแห่งพรหมอะไรกับมันที่จะเป็นผู้รู้ทำได้บัดนี้พระโคโดมผู้เจริญได้ทำความรักของสมณะให้เกิดแล้วในสมณะทั้งหลายทำความเลื่อมใสในสมณะให้เกิดแล้วในสมณะทั้งหลายทำความกรบในสมณะให้เกิดขึ้นแล้วในสมณะทั้งหลาย ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญวิเศษนักพระเจ้าข้าวิเศษนักพระเจ้าข้าพระโคโดมผู้เจริญเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำอยู่หรือว่าเปิดของที่ปิดอยู่หรือว่าบอกขนทางให้แก่บุคคลที่หลงทางหรือว่าจุดประทีปอันโพรงขึ้นด้วยน้ํามันไว้ในที่มืดด้วยความหวังว่าผู้มีจักสษุทั้งหลายจกได้เห็น รูปทั้งหลายฉันใดทรมันพระผู้มีพระภาคประกาศแล้วโดยปริยายเป็นอเนกก็ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคด้วยซึ่งพระธรรมด้วยซึ่งพระสงฆ์ด้วยว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงถือทรงถือว่าข้าพระองค์เป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะแล้ว จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหละอันนี้พารัตวาชะจากเดิม <c oughs> เคยด่าว่ากลุ่มของผู้เจ้ามากนะเมื่อโต้วาทากันไปเรื่อยๆก็ยอมในภูมิปัญญาของผู้เจ้าแล้วบอกว่าผู้เจ้าเนี่ย ทำความรักของสมณะให้เกิดแล้วในสมณะทั้งหลายเพราะตัวเองเขาก็ประกาศเขาว่าเป็นสมณะเหมือนกันผู้สงบเหมือนกันนะเป็นนักบวชเหมือนกันแต่ผู้เจ้าเนี่ยทำความรู้สึกในความรักให้เกิดขึ้นแก่สมณะนะตัวสมณะเนี่ยรักสมณะคนนี้นะชื่นชมเชิดชูในสมณะผู้นี้นะซึ่งไ ม, ไม่สามารถที่จะทำได้ง่ายนะในหมู่สมณะทั้งหลาย <c oughs> และพารัตวาชาต่อมาก็ได้มีศรัทธามาบวชในผู้ศาสนาแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระละหาันเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากด้วยนะอันนี้เรื่องปฏิจจสมบาทก็จบไปเท่านี้ก่อนนะ